ชีวิตเคยมีความทุกข์มากมายตอนนี้ความทุกข์ตกหายไปแล้วตกหายไปพร้อมๆกับใจที่ตื่นขึ้นมาเมื่อไรใจเราตื่นขึ้นมาความทุกข์จะร่วงหลง่นลงไปทันทีเมื่อไรเราหลงไปในโลกของความคิดโลกของความฝันโลกของจินตนาการเนี่ยความทุกข์ถึงจะแทรกเข้ามาได้เ น, นหลายคนฟังธรรมะจนจิตตื่นคาว่าจิตตื่นของหลวงพ่อหมายถึงจิตซึ่งมันรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกกายรู้สึกใจ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 ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวค่อยรู้สึ ก, น, สกนะรู้สึกไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจะจําสภาวะนะร่างกายเคลื่อนไหวนี่มีอาการอย่างนี้จิตเคลื่อนไหวมีอาการอย่างนี้นะความรู้สึกทั้งหลายแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีอาการอย่างนี้นะมีสภาวะอย่างนี้พอนะจิตมันจําได้แม่นแล้วต่อไปสติจะเกิดเองเช่นะ us, นะ ận, มันจําได้ว่าความใจลอยแอบไปคิดเป็นยังไงนี่ใจจะค่อยๆไหลไปนะ ไหลๆๆไปคิดไปรู้เรื่องที่คิดขณะที่รู้เรื่องที่คิดลืมกายลืมใจนี่เรียกว่าขาดสติละเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจเราะนั้นเรียกขาดสตินะหรือบางทีความโกรธผุดขึ้นมาคนทั้งหลายพอโกรธขึ้นมาเนี่ยจะไปดูคนที่ทําให้เราโกรธส่วนผู้ปฏิบัติผู้มีสติจะเห็นความโกรธเนี่ยผุดขึ้นมามันจะผุดขึ้นมากลางอกนะถ้าผุด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 อะไรก็ได้ขอให้รวยก็แล้วกันใช่ไหมพร้อมจะนับถืออะไรก็ได้เอาอะไรมาห้อยก็ได้นะไหว้มันหมดแหละหมูหมากากไก่วัวสามขาก็ไหว้ใช่ไหม อ, อะไรๆเกิดขึ้นมาเราก็นับถือหมดเ ท, ว ด, ทวดาดงเทวดาแลมนุษย์สร้างเทวดาแล้วมนุษย์ก็กลัวเทวดาแล้วมนุษย์ก็ไปไหว้เทวดานะเราขายพระพุทธเจ้าได้นะขอให้รวยก็แล้วกันเนี่ย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 เมื่อเราเห็นผลแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาพุทธอย่างแน่นแฟน้นเชื่อในพระพุเทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นแฟน้นเพราะคนที่จะเชื่ออย่างแน่นแฟ้นคือคนที่เห็นผลของการปฏิบัติแล้วคือพระโสดาบันขึ้นไปนั่นพวกเราอย่าประมาทนะศรัทธาของพวกเราส่วนใหญ่ซึ่งเป็นปุถุชนเนี่ยเป็นศรัทธาที่ยังกลับกรอกได้นะตอนนี้นับถือพุทนะอีกหน่อยอาจจะไม่นับถือก็ยังได้นะ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 บางคนทําไปนะจิตวูบวบว่าๆาบอกเป็นพระอราหันต์นะหันไปหันมาตกกับสามีอีกแล้วบอกทําไมต้องไปตกกับเขาได้นี่ตกเป็นกรินนกริยานะตกเป็นกิริยานั้นมันเอากันจริงๆนะตก <c oughs> <c oughs> มันไล่กิเลสไม่ได้ไม่ใช่ของจริงนะของจริงนะฝึกลงไปต้องไล่กิเลสได้จริงๆ <c oughs> มีความสุขขึ้นมาได้จริงๆ <c oughs> ค, ค่อยๆฝึกไปนะอะ <c oughs> วันนี้เขาไม่ตั้งนาฬิกาให้ดูนาฬิกาเสียอ๋อร็วปรมาณ หมดเวลาอย่างรู้สึกไหมหจิตใจมีความสุขนะคนส่วนใหญ่จิตใจมีความสุขนะรู้สึกไหมตอนนี้ส่วนใหญ่จิตนิ่งนิ่งนะจิตเริ่มนิ่งลงนะให้คอยรู้สึกหมดเวลาเทศอย่งนะบางคนก็อยากฟังอย่างเดียวนะบางคนอยากถามอยากถามเนี่ย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 เคยมีคราวหนึ่งภาวนานะมันมีจิตผู้รู้กัมีสิ่งที่ถูกรู้เราจะดูตัวไหนวะมันมีสองตัวเราจะดูผู้รู้หรือเราจะดูสิ่งที่ถูกรู้สิ <Bronx> ่งที่ถูกรู้นี่นะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยตัวผู้รู้มีแต่ความสุขนี่นี่หลวงปู่ดุลย์เคยสอนเราบอกให้ดูจิตมันก็น่าจะดูผู้รู้สิใช่ไพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้ทุกข์มันก็น่าจะดูไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง เราจะเชื่อใครดีเนะีขยับนะเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์สอนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าถ้าจะยังไงนะลังเลเหมือนกันนะสงสัยเวลาเจอท่านนะขยับจะถามเดี๋ยว <c oughs> เอาไปดูอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยหน่อยนะจนท่านมรณภาพเป็นแถวแถวไปหมดแล้วนะสุดท้ายเอาจะถามใครละ่ะต่อไปนีน้ไม่มีใครให้ถามแล้วว่าจะดูตัวผู้รู้หรือจะดูสิ่งที่ถูกรู้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 เพราะว่ากิเลสมันผักแ่ดออกมานะคะแล้วเราจะทำยังไงแล้วบางทีก็ดูตามเป็นความเป็นจริงถ้ามีสติก็ดูอะไรที่เกิดขึ้นมาขนาดนั้นนะคะหลวงพ่ออันนี้อันนี้ยกตัว อ, อย่างนะคะคือเห็นพระผ่านเห็นพระผ่านความรู้ความรู้มันก็ทางานตามที่มันหมายขึ้นมาว่าพระผ่านไปคือคือมันหลงที่มันหมายขึ้นมานะคะว่าเป็นพระ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 เสนอคาตอบเลยอ่ให้รู้ลงไปรู้คำตอบอยู่แล้วแก้งถามเป็นงั้นเลยกราบนรมัส ก, การหลวงพ่อครับเพราวันนี้ตั้งใจมาส่งกันบ้านครับก็าจากการปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วก็จะอาศัยระลึกรู้กายและใจครับใช้สติรละลึกรู้กายและใจในชีวิตประจำวันแล้วก็ทาตามรูปแบบด้วยครับก็ช่วงนี้ก็จะเห็นว่า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 นั่นแหละฝึกไปแล้วเราเห็นผลด้วยตัวของเราเองไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ว่าคอรู้บ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เกรงเกินไปอให้รู้ไปอย่างที่เป็นธรรมชาติที่สุดธรรมดาที่สุดแม้พวกเด็กๆที่ไม่เคยเข้าปฏิบัตินะเข้าคงเข้าคอร์สอะไรเนะี่ยฝึกง่ายแต่ฝึกง่ายเป็นเร็วแต่ขี้เกียจพราถ้าขยันปฏิบัติคงไปเข้าคอร์สนานนะ อย่าขี้เกียจ น, นะที่ภาวนาใช้ได้แล้วดีแล้วใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาแล้วดีวนนกกเด็กหน้าตาใสาๆเยอะอนน ก, การนมัสการหลวงพ่อจค่ะยอมข<พ>ออนุญาตสง่สงกันบ้านจ้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวก็จะตื่นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นถึงเ อ, อความอยากอย่างเช่นว่าเกาอยากจะไปเกาเริ่มเห็นตรงนี้แต่ว่าพอเ อ, อ เห็นถึงอาการแล้วที่กำลังมือกำลังจะไปเคลื่อนไปเก่าเนี่ยมันเพ่งมือ <ừ> ก็รู้ว่าเพ่งแล้วก็ไม่ชอบ <ừ. S 1> ก็รู้อีกว่าไม่ชอบ ừ, แบบนี้นี่ก็ดีแล้วเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปด้วยอะไรปรากฏก็รู้ไปดีแล้วเ ข, ขาที่ท้าหลวงพ่อสอนว่าโยมยังตั้งใจเอลดลงแล<ะ>้ <ละ S 2> น ะ, ะใช่ได้ดีขึ้นเอาจีรัดมองกันตัวแข็งเลย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 เคยอยากไหมอยากดูหนังอยากดูการ์ตูนอยากกินขนมนเคยไหมเคยค่ ะ, ะเคยอิจฉาไหมเคยค่ะอิจฉาใครอิจฉาน้องไหมไม่ค่ะไม่นะ้อนี่เกรงใจเพราะน้องมาด้ว ย, นะ เ, ยคเคยรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันเคยค่ะอ่เนี่ยเห็นไหมอะไรๆเราก็รู้เใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ความรู้สึกในใจเราเป็นยังไงนะรู้ว่าเปลี่ยนอย่างนั้น ใจเราพลังอิดชารู้ว่าอิดชาใจเราพลังกระตื่นเต้นหรือว่าตื่นเต้นใจเรากลัวหรือว่ากลัวนะใจเราดีใจใจเราเสียใจคอยรู้ไปเรื่อยๆเด็กเล็กๆหัดง่ายนะเด็กหัดง่ายต้อไงอีกหมดหมดแล้วอ้าหมดแล้วจบครั้งนี้กรรมนมำสกาลครับหลวงพ่อก็ผมได้อปฏิบัติมาช่วงหนึ่งครับแต่ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติ ถูกต้องอยู่หรือเปล่าใช่ได้นะดีแล้วใจค่อยตื่นแล้วละ่ะรู้สึกไหมจิตฟุง้งซ่านรู้สึกไหมเออถ้ามันว่างๆนะจิตก็หนีไปเที่ยวจิตนี้หนีก็รู้นะไม่ใช่ว่าห้ามบางคนร้อนคนร้อนแลพวกเราเยอะเกินหพ่ อ, อขอโทษครับขอขออีกนิดนึงได้ไหมครับอาว่าไปที่ผมก็ปฏิบัติอยู่ตามที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ไปใช่ได้ดูไปเรื่อยๆนะ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 แต่รู้มากจนไม่แน่ใจว่าฟุงสซ่านหรือเปล่าก็เลยอยากจะเรียนทำฟุ้งซ่งานก็ใช้ได้ฟุ้สซ่าน ร, รู้ว่าฟุ้งซ่านก็คือดูจิตเรียบร้อยแล้วะแล้วก็เราอยากจะส่งกันบ้านหลวงพ่อว่ามันพัฒนาการดีขึ้นหรือว่าใจเกตไหมล่ะใจเราไม่ได้เครียดอย่างแต่ก่อนแต่ก่อนเราเพ่งไว้แรงเพ่งไว้จนเครียดเลยตอนนี้มันคลายออกมาก็ดีขึ้นเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมจิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืน นั่นแหละไปฟังซีดีต่อค่ะกล่าวหลงพ่อค่ะนี่ซีดีของหลวงพ่อแก้พวกเพลงได้ด้วยนะหลอกให้ฟังไปเรื่อยๆลืมเพลงอกรรมนะกรรมสักการหลวงพ่อครับอะไรงานผพการปฏิบัติครับคือผมเห็นจิตเนี่ยเมื่อเกิดการกระทบอารมณ์ท้งหัวตาหตาหัวหนกายใจแล้วก็จะเกิดสภาวะติดต่อกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน เหตุหนึง่งมันก็เป็นผลของเหตุเหตุหนึ่งเมื่อมันเกิดต่อเกิดต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยไม่บ่อยจะเกิดมากขนาดไหนที่สุดแล้วก็คือความดับความเกิดกับความดับเนี่ยมันอยู่ติดกันเหมือนกระดาษแผ่นเดียวครับไม่ว่าเราจะพิแล้วไม่ว่าจะกระดาษจะบางกระดาษไหนเนี่ยมันก็อยู่ติดกันนิด เ, เดียวแค่นั้นเองใช่ใช่เพราะสภาวะธรรมนะั้เกิดดับติดต่อกันรวดเร็วมากถูกต้องเลทีนี้เมื่อดูจิตมีครั้งหนึ่งมันไปดูความดับแล้วครับ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 เพราะว่าความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยนะอาศัยความหลงเป็นพื้นฐานถ้าถ้ามีสติอยู่นะมันก็ไม่หลงไปแต่ระวังอย่าไปปรุงแต่งสติปรุงแต่งสติก็ได้นะมันจะไม่ใช่วิปัสนาหรอกแตจงใจไปรู้จงใจไปดูจงใจกาหนดเนี่ยปปรุงแต่งมันขึ้นมาแต่ถ้ามันรู้เองเห็นเอ ง, เองใช้ได้มันจะเห็นเกิดแล้วดับบับเลยนะในขณะนั้นเลยเออไอไอความ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 รู้เล่นๆนะต้องภาวนาอย่างมีความสุขถ้าภาวนาแล้วจริงจังเกินไปมันจะเคร่งเครียดจิตใจไม่สบายครับแค่นี้ครับลดความจงใจลงนิดนึงนะนิดเดียวนะลดมากขี้เกียจคุณครั บ, รบารการวัฒการหลวงพ่อนะครับคือเมื่อก่อนจิตเพ่งครับผม ต, ตอนนี้ก็มาดูว่าตอไหนเพ่งตรไหนเพ่งดูไวเรื่อยๆจนมันรู้อันนึงจะเห็นอาการของ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 แต่ ใ, ใจนั้นเศร้าหมองไปอีกพักหนึ่งเลยมัวมวขุนขุนไม่แช่มชื่นเนี่ยใช่ครับเป็นอีกช่วงหนึ่งต้องต้องชดใช้นะดีกว่าชดใช้ในนรกนะใช่ตอนเนี้ครับผมขอถามเรื่องสปัญธยาหนยได้ไหมครับสับปัญญยาเนี่คือปัญญาเบื้องต้นใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นสัปัญธยาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีตามมาสติถูกไหมครับใช่คือจริงๆแล้วต้องอาศัยการมีสติทั้งหมดนะนะกุศลถึงจะเกิดขึ้นได้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 นี่อย่างถ้าเราทำมิปัสสนานะเราก็มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะมีสี่อันคือความรู้ความเข้าใจหรือปัญญาที่รู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรระหว่างทำก็ไม่หลงไม่เปลอไปทำอย่างอื่นซะนะไม่ลืมงานหลักของเรางั้นอย่างเราจะทำมิปัสสนานี่นะเนี่ย ข, ข้อที่หนึ่งเราจะทำอะไรทำมิปัสสนาทำอย่างไรสัมปชัญญะจะเป็นตัวบอกเราว่า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 ทั้งรู ป, ประธรรมทั้งนามรธรรมมีแต่เกิดแล้วกรดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจนี่เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งลนะเป็นปัญญาในระดับวิปัสสนานะต่อไปมีปัญญาแจ้งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเห็นอริยสัจปัญญาที่เห็นอริยสัจเรียกว่าวิชาวิชาก็ล้างอวิชาลงไปดงนั้นดีกรีของปัญญานะมีหลายตัวตัวแรกเลยก็คือสัมปชัญญะเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไร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 แล้วบางคําก็สบายเบาแล้วก็เหมือนกับเรื่องแต่ลมหายใจที่ยอมทํามันเป็นสมถะครับผมเราใช้สติไประลึกรู้ลมหายใจครับผมถ้าเราระลึกรู้แบบสบายๆไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสงบครับจิตก็จะรวมสงบลงไปแล้วมีความสุขเบาๆครับแต่ถ้าเราหายใจไปแล้วเราก็ไปเค้นใจไปบังคับใจจะให้มันสุขให้มันสงบเนี่ยมันจะเครียดขึ้นมาครับ หือบางทีเพ่งมากไปนะพอเพ่งมากไปเนี่ยจิตไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ทลมหายใจครับแล้วตัวก็แข็งไปเลยรกระดูกกระดิกไม่ได้ดังนั้นที่ที่โยมทําอยู่ยังเป็นสมถะนะครับผมเนี่ยจากสมถะเนี่ยต้องหาทางพลิกขึ้นสู่วิปัสสนาให้ได้ไม่อ ย, อย่างนั้นเราจะเสียโอกาสครับผมนะ <sean S 1> การพลิกจากลมหายใจขึ้นวิปัสสนาเนี่ยให้โยมนั่งหายใจเล่นๆหายใจเล่นๆ <c oughs> นะครับไม่จริงจังไม่ได้มุ่งเอาความสงบเป็นหลัก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 ขอบพระคุณค่ะลดการบังคับลงนิดนึงบังคับแรงไปรู้เล่นๆ น, นะอย่าจริงจังมากบ้านหงพ่อนะคะเมือ่อสามสี่เดือนก่อนนะคะโยง ม, มาถามหลวงพ่อนะคะเรื่องการภาวนาเโยมนั่งภาวนาแล้วค่ะจิตมันรวมลงนะคะแล้วก็เกิดปิตินะคะแล้วก็ผ่านไปแล้วนะคะก็เมื่อตอนหลังก็เห็นไหวๆแล้วค่ะใช่ไหมคะมคือ พอพอนั่งพอนั่งหลับตาปุบอยากเห็นตัวเอง่ควยๆพูดนี้หน้าหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงค่ะน่าวาไปเห็นไหวๆแล้วอ่ะหลวงพ่อก็แนะนาให้ดูอะไรไหวๆไปนะค่ะโยมก็ภาวนาก็ดูไหวๆไปนะคะทีนี้พอพอตอนหลังเนี่คือมันไหวแรงมากค่ะแบบรู้สึกว่าตัวเนี่ยโยกพอลืมตามบองก็ตัวก็โยกตามที่ไหวๆด้วยนะคะให้ดูใจเรานะไม่ได้ไปดูที่ไหวไหวแค่รู้ว่ามีอะไรไหวไหวขึ้นมาตัวสําคัญคือต้องดูใจของเราเอง นะเช่นพอมันไหวๆไวแล้วใจเราถาลำลงไปเพ่งเนี่ยมันจะโยกตามไปด้วนยะให้สักว่ารู้สักว่าเห็นสมมติ ว, ว่ามันเกิดไหวๆไขึ้นมาแล้วเกิดรู้ว่าตัวโยกเกิดตกใจให้รู้ว่าตกใจไม่ต้องดูที่ไหวๆไวนะให้พยายามรู้ทันใจของเราใจเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาให้รู้ลงไปเลยไม่ได้ไปรู้แช่อยู่กับไหวๆไวนะบางครนะั้<า>งค่ะคือคุยกับเจ้านายเนี่ยคือเราพยายามทาสติเราค่ะ แล้วสุดมันก็ไหวด้วยอะค่ ะ, บบะไม่เอาสิแม้แต่ธรรมดาคุยกันยังไหวเล ย, ยเวลาคุยกับ <c oughs> เจ้านายไม่ใช่เวลาเจริญสติเ ป, เป็นเป็นเวลาทํางานต้องไปคิดเรื่องงานนะถ้าเจริญสติจะคิดอะไรไม่ได้จเจริญสติเดี๋ยวเจ้านายสั่งงานหูสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าได้ยินนะ <c oughs> ปลายปีเขาก็แจกสองให้ค่ะทีนี้โยมก็ดูวไหวไปตามภาวนานะคะ เวลาดูไหวๆนะดูห่างๆออย่าจ้องไปใส่ไหวๆดูไว้ห่างๆคือคือรู้สึกว่ามันมันจะมีเออมันมีอีกตัวหนึ่งซึ่งมันมันคอนเซนเทรตนะะแบบมันมันแรงอสมาธิมันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ดูไหวๆตรงนี้นั่นอีกตัวหนึ่งคนละอันกันนะคะคนละอันกันทีนี้มันจะแรงสมาธิแรงเกินไปพอพอโยมก็ดูไปเรื่อยๆอะค่ะพอพอมันคิดเนี่ยเวลาคิดสติมันก็รู้ทันปุ๊บ ก็มันมันก็หยุดคิดนะคะเอาไหวก็จะแรงมากเลยพักหนึ่ง ม, มันก็จะหายไป้าหลั ง, งไอ้ไหวๆนี่ก็หายไปค่ะต้อ ง, <ข>องลดลดความจงใจลงนิดหนึง่งถ้าคอนซูเนรตแรงก็ไหวแรงถ้าสมาธิมันนําไปสมาธิมากเกินไปลดสมาธิลงคือมันเป็นเองแล้วบังคับอะไรไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อพ่อหลัลงๆไอ้ไหวๆนก็หายไปนะคะเส้นไหวไปไปเดินบ้างอะไรบ้างเรดีนียาปวดไปอย่านั่งรวดเดียวไปดู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 เอาไปดูคนอื่นได้ค่ะทีนี้คือคือนานมาแล้วน ะ, ะก็มีหลวงปู่รูปหนึ่งแนะนําว่าเวลาจิตรวมแล้วนะคะพอพอพอออกมาเนี่ยให้รีบพิจณากายะคะ่ะโยมก็พยายามพิจานากายเนะแต่พิจณาอย่างไงก็ไม่เคยเห็นเลยกระดูกไม่ได้นนไจห็นสักอมันไม่ตรงกันถ้าไม่ถูกจริตมันก็เดินไม่ได้เพราะงั้นพอจิตรวมนะจิตถอยขึ้นมาเนี่ยให้ดูจิตไปเลยแสดงว่าควรจะพิจาณาดูจิตอย่างเดียวไม่ต้องดูกายเลยใช่ไหมไม่ได้หรอก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 ตลอดเกือบตลอดเลยนะคะเนี่ยเวลาฝึกแบบที่หลวงพ่อทาให้ฝึกนะไม่ใช่ไม่รู้กายนะรู้กายเก่งกว่าพวกรู้กายทั่วๆไปนอนหลับอยู่นี่ฟลิกซ้ายฟลกขวารู้หมดเลยแล้วบางทีสวดมนนะคะปากรู้ว่าเออเราปากขยับสวดแต่ว่าใจไปคิดหนีไปแล้วบางครั้งลองดูนะคะแค่อีทีปีโสยังไม่ทันสว่างคาตัวได้ต้องเป็นแบบ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 กิตตังปจิตตังตุมหังชิปะเมวาสมิจชตูสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปันนรสอยาถามณิโชติลาโสยถาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพโรโภวินาสตูมาเตภวัตวันตารโยสุทีที่คาโยโภพวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันตีอายุวันโนสุขขัง ปัลลังพาวะตูสัพพะมังคลังรักคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสตีปวันตุเต